30 นาทีต่อไปนี้สํานักงาน ปปส. ให้มหาวิทยาลัย 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 รวมพลังไทยพลัง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 ช่วยกันมีคุณภาพชีวิตที่ดีชุมชนให้เข้มแข็งมีชีวิต ต่อไปนี้ขอ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 หมอก 17 ความ และเพราะเห็นว่าไม่มีประโยชน์อะไรเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปไม่หมอกสลายที่ปลายฟ้าด้วย กลับมาค่ะก็เอาเรื่องเหมือนกันค่ะแม่แต่ก็คิดอืมฟัง แต่แม่ว่าน่าจะประชุมเฉพาะแค่กรรมการเท่านั้นก็พอแม่ว่าน่าจะประชุมเฉพาะแค่กรรมการเนี่ยแสดงว่าขิงแก่อย่างแม่คิดอะไร คุณปลัดเค้าก็โถแล้วเสียคะแนนไปเยอะเลยนะปลัดท่านจะทํายัง ว่าใคร ไอ้ป้ายประกาศที่ยายหมอกับครูใหญ่มัน เฮ้ยไม่เลวเลยนะพี่อึงดูดิรูปนี่ๆ แล้วเงินที่ทําป้าย ลื้อนี่มังไม้เอาไหนทำอย่างเงี้ยใช้ไม่ได้นี่วะแคว่เวลาอั้วได้ห้ามเถียงเข้าใจมั้ยถ้าขืนทำอย่างงี้อีกเมื่อไหร่อั้วจะตักงางเจิงพวกลื้อลี้ไม้อ่ะกินจูจีจักเสียจะได้เลิกทำนิสัยอย่างงี้ซะทีคุณหมอกับครูใหญ่ช่วยกันแก้ปัญหายาเสพติดแทบตายแต่พวกแกมึงไม่พ่ายแล้วยังเอาเท้าลาน้ำอีกพี่กำจอนก็เหมือนกันนั่นแหละเกี่ยวอะไรกับฉันวะ ต้องเกี่ยวสิต้องห้ามคนของพี่บ้างเวลาที่ทําๆ ไอ้พวกเนี่ยก็ทําให้อัวคิดอะไรอืมจริงด้วยเตียแล้วน้ํา ยายดูนั่นสิแผ่นผ้าที่คุณหมอกับครูใหญ่ให้มาคึงไว้กระดาษที่เขียนคำขอนต่อต้านยาเสพติดถูกฉีกขาดไปหมดเห็นไหมป้ายที่เป็นไม้ก็ถูกพังบางอันก็ถูกสีพ่นทับด้วยยายใครมันแบ่งคนทำอย่างนี้กันวะจะใครซะอีกล่ะทำไมใช่ไอ้พวกนั้นน่ะคนไหนล่ะไอ้แสงก็ไอ้พวกขายยาน่ะสิพี่เดือนบางป้ายมันพ่นสีเตือนหรือขู่ไว้ด้วยนะ ข้าไม่เคยกลัวไอ้พวกนี้ป้าปวน พวกเหยาะเสพติดมันร้ายใช่ๆๆจริงด้วยใช่เปียกจะไปได้ ดีเลยค่ะครูใหญ่งั้นก็แสดงว่าเอ้ยไม่ใช่หน้าซีเรียส ป้ายประชาสัมพันธ์ที่เราไปปักไปติดไว้ถูกๆหายตึงแล้วค่ะพี่ ชาวชุมชนไฟพวกมันยิ่งออกมาต่อต้านเท่าไหร่ก็ยิ่งเหมือนกับแสดงตัวให้เราเห็นเท่านั้นว่าใครเป็นใครเราก็จะได้รู้ได้แขคะค่ะๆตอน ทลายกำแพงใจให้อภัยให้โอกาสผู้ล้มล่าเสร็จติด ดร. เจรวยพรทรณินอาชีพครู พบพูนเรื่องของเราอะไรนะจะร้องเสียงดังประจำ แล้วก็เลยอาจจะไม่ให้ความร่วมมือก็ได้ยังเห็นว่าเสียเวลาทําอาหาร จะไปทําไมอีกล่ะต้องจะเอาหนังสือเชิญประชุมไปให้หมอ ขืนเฉยก็ยิ่งลามใหญ่ลาม<า> ตาครูดารานี่วันนี้อยู่เวรค่ะคุณปลัดแต่กําลังจะกลับเดี๋ยวเนี้ยอ๋องั้น เดี๋ยวผมครับรถไปส่งให้น่ะขอบคุณค่ะ อัน 20 คนฉันส่งหนังสือเชิญประชุมครบแล้วค่ะขั้นตอนต่อไปก็ โดยมีเลขาขับไป ตามใจครูใหญ่เธอค่ะไปไหนก็ไปอยากจะพาไปไหนก็ได้ใหญ่ฮะ <Huh? S 2> เป็นยังไงยังไงนี่มันหมายความว่า ในเมื่อเขาก็ไม่ได้ทําอะไรเสียหายหรือถึงอ่ะ ยังเรียนเด็กอะไรจบ 20 แล้วไม่แค่ แล้วพี่กำนันจะไปประชุมอืม ถึงแต่พ่อเป็นขอ อ่านหนังสือไอ้น้อยมาให้พี่นกก็ได้ค่ะไม่เห็นต้องมา นมแม่เนี่ยเป็นอาหารที่ดีและวิเศษ 2 1 ครับ ผมมีโอกาสกลับตัวกลับ ตรงทางใจให้บริษัทไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์จำกัดมหาชนผู้เลือกยาเสพติดถ้าเขามีโอกาส ผู้แสดงบีดังต่อไปนี้อาทรภาธิพัฒนะบินดาเกียรติศิริเปรมกมลโชติกาสถีณธีระบุญญฤทธิ์ และเฉลิมพลสิริประเสริฐศักดิ์ชนะฐานาสาควบคุมเสียงอาทรภาธิภัตนะดินดา